วันนี้เป็นวันสําคัญสําคัญยังไงพวกเราควรจะรู้อยู่แล้วนะเป็นวันที่ถือว่าเป็นชัยชนะชัยชนะของธรรมะคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วมาประกาศธรรมะเป็นครั้งแรกผลของการประกาศธรรมะของท่านทําให้มีผู้รู้ธรรมเห็นธรรมตามท่านคือท่านพราโกนทัญญะ รู้ทำเห็นรำตามพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์ได้งั้นเป็นวันที่เราได้ไตรสรณคมครบนะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบเป็นครั้งแรกมันเป็นกระแสของบุญกระแสของธรรมะอย่างลงสู่โลกประสบความสําเร็จแล้วคือความสําเร็จของพระพุทธเจ้าไม่ใช่แค่ท่านตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง ถ้าท่านเป็นพระเป็ดเจกพุทธเจ้าความสำเร็จของท่านก็แค่ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองแต่ น, นี้ท่านปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความสำเร็จของท่านอยู่ที่ท่านสามารถประกาศศา ส, สนาให้มีผู้รู้ตามได้พวกเราเป็นรุ่นหลานรุ่นเหรนของเหลนของเหรนเลยนะี่นะยังมีส่วนของธรรมะที่ท่านทิ้งไว้ให้ยังมีโอกาส ที่จะรู้เห็นตามท่านใดแต่ไหนแต่ใดมานะากกนธรรมะกับอาธรรมต่อสู้กันตลอดเวลาพระพุทธเจ้าจะออกบวชนะมารก็มาห้ามอย่าบวชเลยอยู่เถอะจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิท่านก็ไม่ฟังนะท่านออกไปบวชบอกมารตามเฝ้าอยู่หกหกปีมารคอยดูตลอดเวลาเลยว่าเมื่อไหร่ พระโพธิสัตว์สิทธัตถะเนี่ยจะท้อแท้ใจจะเข้ามาครอบงำชวนให้กลับไปอยู่บ้านแต่ว่าไม่มีโอกาสเลยเพราะาท่านสติดีท่านบอกหกปีเนี่ยท่านอยู่กับการมีสตินะเห็นไหมแต่ทําไมท่านไม่เป็นพระอรหรันต์นะท่านยังไม่ได้เจริญปัญญาแต่ท่านมีสติตลอดนะหปีไม่ย่อหย่อนเลยมานไม่มีช่องทางเมื่อเมื่อไหร่ท่านจะท้อใจท่านไม่ยอมท้อใจสติ พอท่านเป็นพระพุทธเจ้าแล้วมารก็มาบอกท่านว่าอย่าไปสอนเลยลําบากเราเปล่านะนิพพานไปเลยมีความสุขแล้วนิพพานไปเลยท่านก็ไม่ยอมนะความการุณาในพระไทัยของท่านสงสารสัตว์โลกตาแป๋วแป๋วจนถึงรุ่นพวกเรานี่ยังตาแป๋วแปวอยู่ไหม <c oughs> หรือตาขวางขวางเนี่ยความการุณาในพระไทัยของท่านนะทําให้ท่านทรมานขัน ลำบากนะสอนธรรมะเป็นงานที่ยากลำบากที่สุดเลยเพราะสู้กับกิเลสสู้กับมารมารสำคัญก็คือกิเลสมารในหัวใจของเราแต่ละคนนี่แหละไม่ต้องไปนับมารที่อื่นหรอกนะคือมารในใจเรานี่เองร้ายที่สุดเลยนะพระพุทธเจ้าบอกให้มีศีลมารก็บอกอย่าไปมีศีลพระพุทธเจ้าสอนให้ฝึกจิตใจให้ตั้งมั่นให้สงบอย่มารก็บอกให้ไปฟุ้งซ่าน พุทธเจ้าสอนให้เจริญปัญญารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะมานก็ชวนไปรู้อย่างอื่นนะยกเว็นกายกับใจตัวเองไม่อยากให้รู้หรอกงั้นะมันต่อต้านตลอดระหว่างธรรมะกับอาธรรมนะสู้กันอยู่ในใจเรานี่เองไม่ได้สู้ที่ไหนแล้วนะสู้กันอยู่ในใจเรานี่ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะแต่ส่วนมากนะธรรมะมักจะแพ้นะมันอาภาัพจริงๆเลย ดูคนในโลกมีตั้งเยอะแยะนะคนที่มีธรรมะ ม, มีนิดเดียวเองนะพวกเราอุตส่าห์มาเรียนธรรมะแล้วอย่าให้แพ้มานนะต้องสู้ให้ได้นะเข้มแข็งไหมอดทนเข้มแข็งอย่ายอมตามใจกิเลสกิเลสบอกไม่ให้มีศีลเราก็ต้องมีศีลไหมกิเลสบอกอย่าไปฝึกจิตให้ตั้งมั่นนะเราฝึกให้ตั้งมั่นกิเลสบอกให้ลืมเนื้อลืมตัวลืมกายลืมใจไหมนะเราคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจนะต้องฝืนมันนะ อย่ยอมมันนะี่พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ยอมแพ้มานนะท่านก็อุตส่าห์มาประกาศธรรมะนะจนกระทั่งประสบความสําเร็จนะแล้วแสดงธรรมะครั้งแรกเลยเทศนาการแรกก็ได้พระโสดาบันหนึ่งองค์นะนะแค่โสดาบันหนึ่งองค์นะท่านก็ปีติปลาโมทละท่านบอัญญาสิวัตโพโกรทันอยู่โกรทันยารู้แล้วหนอดีใจนะอนะท่านเกิดปีติ ดีใจว่าโอ้มีคนรู้ตามได้แล้วถือว่าสำเร็จแล้วประสบความสำเร็จแล้วได้โสดาองเดียวถือว่าสำเร็จแล้วหลังๆเทศทีหนึ่งได้พระอราหารันติรพันธ์นะท่านยังไม่อุทานรุนแรงอย่างนี้เลยนะเพราะอะไรทำไมได้โสดาองเดียวท่านก็ปีติปราโมทมากเพราะงานของท่านนะอนย่างรากลงสำเร็จแล้วนะงานที่ท่านตั้งใจไว้รวมทั้งหมดนานมากนะ นานมากเฉพาะที่ได้รับพยากรจากพระธีปังกรพระพุทธเจ้าทีปังกรพยากรนะั้ น, นตั้งแต่ท่านเป็นพระสุเมธ ต, ตอนนั้นท่านเป็นฤาษีชื่อสุเมธนะพระธีปังกรพยากรไหมเมื่อสี่อสงไขยกับแสนมหากับก่อนมหากรหนึ่งก็คือตั้งแต่จักรวาลเกิดจนจักรวาลแตกอสงไขยหนึ่งก็ประมาณส0บยกกาลัง ตั้งแต่ร4อยสบแถึง1้อยห้าบมีหลายตำราเถียงกันอยู่น น, นะเยอะแยะเลยยาวงันความเพียรของท่านเนะเฉพาะที่ได้รับพยากรแล้วเนี่ยเสียสงไขยแสนมหากร่อน น, นั้นที่จะได้รัพยานี้ยาวนานนะรวมๆแล้วประมาณนะย0นสิบประมาณยสงั้นความเพียรที่เนิ่นนานเนี่ยประสบความสำเร็จในวันอาสันหาบูชานี่เองนะท่านประกาศธรรมะมีผู้รู้ตามได้ ตั้งหนึ่งท่านนะ่ยนั้นได้เป็นพระโสดาบันนี่ปลื้มใจครัปลื้มใจงั้นวันนี้เป็นวันสาคัญมากนะเราลองมาศึกษาดูว่าท่านสอนอะไรนะสิ่งที่ท่านสอนในวันนี้คือธรรมจักกับประวัตินาสูตรธรรมจักเนื้อหาสาระของธรรมจักเนี่ยท่านเริ่มต้นโดยการสอนว่าอะไรที่ผิดแล้วก็ลงท้ายว่าอะไรที่ถูก ปฏิบัติยังไงผิดปฏิบัติยังไงถูกเนื้อหาของธรรมจักรอยู่ตรงนี้เองนะงั้นอย่างที่หลวงพ่อสอนว่าอะไรถูกอะไรผิดเนี่ยบางคนบอกสอนอย่างนี้ไม่ดีเนี่ยไม่ดีได้ยังไงพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะจะมาบอกว่ า, าทำเพ้อเหมือนๆกันหมดเลยนะก็งงตายเลยพรนะพุทธเจ้าไม่เคยตรัสเลยว่าคําสอนของครูทั้ง6กลัที่ใหญ่ของอาตมา ก, ก็เหมือนๆกันแหละดีเหมือนๆกันแหละท่านเคยพูดเสียที่ไหนอ่นะ ท่านแยกแยะนะคำสอนของท่านมีการจำแนกแยกแยะนะแยกแยะว่าอะไรถูกอะไรผิดนะสิ่งที่ผิดถ้าเริ่มต้นจากสิ่งที่ผิดกันสิ่งที่ผิดมีสองอย่างนะท่านบอกสิ่งที่ผิดมีสองอย่างมีทำสองอย่างที่บันพชิดไม่ควรเสพคำว่าบันพชิดไม่ไม่ใช่เฉพาะนักบวชนะพวกเราชาวพุทธที่มุ่งหวัง ที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้กนะ็ต้องไม่เสพด้วยนะสองสิ่งที่ไม่ควรเข้าไปเสพคือเข้าไปติดนะอันแรกเลยชื่อการสุขาริการุโยกการสุขาริการุโยกการปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสนี่พูดภาษาไทยง่ายๆนะถ้าจะแยกแยกละเอียกกามมีอะไรนะก็รูป ที่น่าพอใจเสียงที่น่าพอใจกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจสิ่งที่ยั่วยวนจิตใจให้ฟุ้งซ่านออกไปภายนอกหนะลงไปรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่เรียกกาม น, ะนั่นเองแต่ว่าถ้าพูดภาษาไทยง่ายๆนะก็คือการปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยกายปล่อยใจตามกิเลสไปวันหนึ่งวันหนึ่งอย่างที่พวกเราส่วนมากทํากันอยูนะ่พวกเราส่วนใหญ่ทํากันอยูนะ่คนที่ไม่ได้ภาวนาไม่ได้เด็ดเดี่ยวกับการปฏิบัติเนะี่ย จะปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสไปวันหนึ่งวันหนึ่งกระทั่งคนเข้าวัดนะก็ยังพลัดยังมาฟังธรรมจากหลวงพ่อแล้วบางคนยังพลัดขออายุห้ก่อนแล้วจะปฏิบัติทว่มันจะได้อยู่ถึง50หรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะเนี่ยเนี่ยตามใจกิเลสไปวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยคือสิ่งที่ท่านบอกว่าอย่าทํานะตามใจกิเลสปล่อยจิตปล่อยใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสอะไรไปเรื่อยๆ หมดไปวันหนึ่งวันหนึ่งอย่างรวดเร็วเลยนะแต่ละวันหมดไปอย่างรวดเร็วปีหนึ่งหมดไปอย่างรวดเร็วเลยนะฉลองปีใหม่ไม่นานเลยเดี๋ยวฉลองอีกลละนะ้ะปีใหม่ที่ก็วอวยพรให้มีความสุขยังไม่ทันจะมีความสุขเลยทุกมาทั้งปีเลยถึงเวลาวอวยพรอยูะนะ่แล้วนี่ยมันหลงโลกนะหลงกิเลสหลงโลกไม่มีจริงหรอกนะสุขลกโล ก, โลกสุขลมลมแห้งแหลงนี่ท่านบอกว่าถ้าคนไหนอยากได้มากผลนิพพานนะอย่ามัวแต่หลงโลก าภาษาง่ายๆนะี่เมื่อแต่หลงโลกนะโลกมันชักนําให้เราเกลไปหนะลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งที่สองนะที่ท่านบอกว่าไม่ควรเสพไม่ควรติดชื่ออัตตะกิลมัทฐานุโยกการทำกายทำใจของตนเองให้ลำบากอันนี้แหละนักปฏิบัติชอบทำที่สุดเลยนะคนที่ไม่ปฏิบัตินะั้เขาก็หลงโลกส่วนนักปฏิบัติเนี่ยคิดถึงการปฏิบัติเมื่อไรถ้าไม่บังคับกายก็บังคับใจ จะบังคับกายบังคับใจอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนี่นักปฏิบัติสังเกตไหมเวลาเราคิดถึงการปฏิบัติพอเราจะเดินจงกรมเราก็เริ่มบังคับกายบังคับใจลนะ้เดินต้องเดินท่านี้นะนี่ยกเท้าต้องยกแบบนี้นี่ก้าวไปต้องยาวเท่านี้เนีเกิดคนบางคนมันขาสั้นบางคนมันขายาวนะมีมาตรฐานว่าต้องก้าวหนึ่งยาวเท่านี้กี่นิ้วกี่นิ้วนะก็ลําบากเหมือนกันนะ อย่างหลวงพ่อก็ขายาวหน่อยนะให้ก้าวสั้นๆทีนึ่งห้าหกนิ้วกลุ่มใจเหกันเลยนะบังคับตัวเองมากนะบังคับตัวเองมากจะนั่งสมาธิก็บังคับตัวเองนะคิดว่าการนั่งสมาธิต้องนั่งท่านี้ท่านี้ท่านี้ถูกท่านี้ไม่ถูกมีเถียงกันนะเถียงกันแต่ไหนแต่ไรเช่นนิ้วจะต้องจดกันยังไงเนี่ยบางคนบอกว่าให้เอานิ้วชี้จดันนิ้วชี้จดกันนะเห็นไหมไม่เห็นก็แล้วไป บางคนก็เอาหัวแม่โป้งจดกับนิ้วชี้นะเห็นไหมบางคนเอานิ้วโป้งชนกับนิ้วโป้งนะยังไม่มีใครสอนนะเอานิ้วก้อยชนนิ้วก้อยยังไม่เคยเห็นนะน่าจะมีอย่างเนี้ยมีหลากหลายนะสมาธิจริงๆไม่ได้อยู่ที่ท่าทางหรอกนะอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจทนะ่าไหนถนัดเอาท่านั้นแหละท่าไหนถนัดเอาท่านั้นนะหรือจะเดินไม่ใช่เดินนะท่าไหนสวยท่าไหนถูกหลวงพ่อยังเคยสงสัยเหมือนกันนะ มีอยู่คราวหนึ่งไปอยู่หินหมักเป้งกลางคืนนะเห็นหลวงปู่เทศท่านเดินจงกรมรู้สึกโอ้พ่อแม่ครัวจานนะแทบไม่นอนเลยส่วนเราเนะี่ยอยากนอนที่สุดเลยท่านไม่นอนเราไม่นอนไม่ได้อเห็นท่านเดินจงกรมเราเดินไม่ไหวเราก็นั่งนั่งใครจำเรืองไม่ไหรท่านจะนอนนะเดินเดินสักตีสองนะท่านก็ยังเดินคือท่านพักช่วงสั้นๆนะตีสองกว่าเนี้ท่านลุกขึ้นมาเดินอีกแล้ว มือตะคุ่มตะคุ่มแล้วก็นึกในใจนะแงหลวงปู่ครับเดินจงกรมเนี่ยเอามือไว้ที่ไหนดนะนะีเห็นท่านไม่ได้แว่งแขนนะไม่รู้ไว้ไว้ข้างหน้าหรือไว้ข้างหลังมันไม่ชัดพอนึกอย่างนี้ได้นะท่านเดินนี้ <c oughs> <c oughs> ท่านเดินท่านนี้ให้ดูนะอ๋อเข้าใ จ, <c oughs> ใจอยู่ที่ใจนะใจของเราตั้งมั่นไหมใจของเราตรงไหมนะไม่ใช่กายอย่างเดียวนะ กลายเป็นเครื่องอาศัยเท่านั้นไม่งั้นบางคนขาเปเดินกระเพื่กระเพกใช่ไหมเดินไม่ตรงก็ใช้ไม่ได้ไม่ใช่นั้นเราไม่ได้อยู่ที่เริ่มต้นด้วยการบังคับร่างกายแต่ว่าร่างกายอยู่ในท่าไหนสบายสะดวกสบายเหมาะกับการภาวนาแล้วเอาอย่างนั้นแหละอย่างท่านบอกให้นั่งตัวตรงๆนะไม่นั่งโค้งไปโค้งมาบิดไปบิดมาให้นั่งตรงๆจะได้ไม่หลับนะได้ไม่หลับง่ายไม่ขี้เกียจไม่ย่อหย่อน นั่งสบายเกินไปนะใจมันอ่อนแอนั่งลําบากเกินไปใจก็ฟุ้งซ่านเช่นไป น, นั่งบนตะปูเนี่ย น, นะใจก็ฟุ้งซ่านนั่งลําบากไปนั่งสบายไปนะนั่งท่าไหนก็ได้หลวงพ่อประโมทบอกแปบเดียวก็หลับแล้วงั้นเราดูนะท่าไหนอ่ะที่สติจะเกิดเอาท่านั้นแหละท่านั้นแหละพอดีแล้วพอเหมาะพอควรแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกงนะั้นเราไม่เรียนแบบใครนะสังเกตตัวเอง อยู่ในอิริยาบถใดในท่าทางอันใดแล้วภาวนาได้ดีเอาวันนั้นแหลนะเหมาะอันนั้นเอาวันนั้นไม่ตึงไปไม่หย่อนไปจิตใจก็เหมือนกันต้องไม่ตึงไปไม่หย่อนไปเริ่มต้นด้วยการนั่งสมาธิสมมุตินั่งสมาธิมมนะนั่งหย่อนไปเป็นไงนั่งเอ้อระเหยสงใจเลื่อนลอยไปฝันมีความสุขฝันนะเอ้อระเหยไปนะหรือตึงไป นะอย่างนีนะ้คิดว่าเข้มแข็งดีนะไม่ใช่นะมันตึงไปตึงไปก็ไม่ได้นะหย่อนไปก็ไม่ได้ถ้าหย่อนไปเราจะขาดสติถ้าตึงไปเราจะเครียดถ้าจิตเครียดจิตไม่มีความสุขจิตจะไม่สงบหรอกนั้นะสิ่งสองสิ่งนะที่เราไม่ทํานะอันหนึ่งปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสหย่อนเกินไปอันหนึ่งบังคับกายบังคับใจตึงเครียดเกินไป อนนี้หลวงพ่อเห็นในหนังสือที่อาจารย์ซุปเควันนี้เห็นอาจารย์ซุปเคแวบๆบแบบยกมือหน่อยอ๋ออยู่นั่นอาจารย์ซุปเคนะเขียนหนังสือให้เด็กอ่านอนะ่ะเขียนดีนะสรุปที่หลวงพ่อสอนไม่ได้ดีเชลละรู้สึกว่าสรุปดีกว่าหลวงพ่ออีกอาจารย์ซุปเคสอนดีนะว่ามันตึงเกินไปก็หย่อนเกินไปทําอย่างนี้ตึงเกินไปอย่างนี้หย่อนไปจะจะเป็นคู่คู่อยู่อย่างเงี้ยเยอะเลย ให้เด็กหัดสังเกตวนะ่อย่างนี้ตึงไปอย่างนี้หย่อนไปหนะย่อนไปก็คือเออเรเหยื่ไปสติไม่ค่อยมีหรอกนะจิตใจเลื่อนๆลอยๆมีแต่ความเผลอเพลิลนนะตึงไปก็บังคับกายบังคับใจเคร่งเครียดเคร่งเครียดจิตไม่สงบหรอกจิตจะสงบได้จิตต้องมีความสุขพอสมควรแตส่สุขจนถึงขนาดโอละ่ละลาอะไรอย่างนี้ก็ไม่สงบนะฟุ้งซ่านไปอีกนะถ้าสงบสบายวิเบกอยู่จิตก็สงบจิตจะตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะ ให้เราฝึกนะฝึกไม่เอาสองอันนี้นะให้ฝึกทางสายกลางอยู่ตรงไหนเนี่ยสิ่งที่ผิดสองอันตึงไปก็หย่อนไปสิ่งที่ผิดสองอันนี้ในโลกมีแต่ตึงไปก็หย่อนไปคนที่ไม่ภาวนาก็หย่อนไปคนที่ตั้งใจภาวนาก็ตึงไปมีอย่างนี้ตลอดนี่เรามาตรงไหนที่ท่านให้ทําตรงทางสายกลางไม่ตึงไม่หย่อนนะเป็นทางสายกลาง นั้นในธรรมจักนะท่านสอนสิ่งที่ไม่ให้ทำสองอย่างกับสิ่งที่ต้องทำสิ่งที่ต้องทำคือทางสายกลางไม่ตึงไม่หย่อนอะไรคือทางสายกลางมรคมีองค์8คือทางสายกลางมรคมีหนึ่งนะแต่มีองค์ประกอบ8อย่างเรียกมรคมีองค์8 ‑นะมรคมีองค์8ประการเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกทำไมท่านเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิ เพราะ น, นี้ท่านแสดงธรรมให้คนฟังงั้นท่านเริ่มต้นด้วยสมาทิฏฐิการแสดงธรรมะนั้นก็คือการสอนสัมมาทิฏฐิในภาคปริยักษนั่นเองถ้านะรากไปลงมือรู้วิธีปฏิบัติแล้วเอาไปลงมือพอไปลงมือได้นะก็จะเกิดสมาทิฏฐิในภาคปฏิบัติอันนี้รู้แจ้งเห็นจริงแล้วล้างกิเลสได้สัมมาทิฏฐิในภาคปริยักเนี่ยยังไม่ล้างกิเลสนะสัมมาทิฏฐิในภาคปฏิบัติถึงจะล้างกิเลสได้ นั้นสมาทิฏิที่ท่านสอนพระกนธัญญะอะไรคือสัมมาทิฏฐิวิชาตรงข้ามกับอวิชชาอาวิชชาคือความไม่รู้วิชาหรือตัวสมาทิฏิคือความรู้รู้อะไรรู้ทุกรู้สมูทัยรู้นิโรธรู้มัดอะไรคือทุกข์ท่านสอนไว้ชัดเจนนะขันห้าเป็นทุกข์รูปธรรมนามธรรมนี้เป็นทุกข์นั้นขันห้าเป็นตัวทุกข์รูปธรรมนามธรรมนี้นนเป็นตัวทุกข์ หน้าที่ต่อทุกคืออะไรหน้าที่ต่อทุกคือการรู้ตัวนี้ต้องเรียนให้ดีนะทุกไม่ได้เอาไว้ละนะทุกเอาไวร้รู้ตัวนี้เป็นเรื่องที่แปลกเป็นเรื่องอัศจรรย์เรานึกไม่ถึงเลยใครๆก็อยากชะละทุกใครๆก็อยากหนีทุกเพราพระพุทธเจ้ากลับสอนว่าทุกเอาไวร้รู้ทุกไม่ไดเอาไว้ละทุกไม่ไดเอาไว้หนีนะ งันหน้าที่ต่อทุกคือการรู้ทุกคืออะไรทุกคือรูปประธรรมนามธรรมคือกายคือใจงั้นหน้าที่ต่อทุกก็คือการรู้กายรู้ใจนะการรู้กาย ร, รู้ใจนี่แหละคือการปฏิบัติธรรมแหละนะการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถ้าเรารู้ทุกแจม่มแจ้งมันจะละสมุไทไยได้นะละความอยากได้ละได้อัตโนมัติละแล้วไม่เกิดอีกเลยนะ เรารู้ความจริงแล้วว่าขันห้าเป็นทุกข์กายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษเนี่ยความอยากจะให้กายให้ใจเป็นสุขจะไม่เกิดขึ้นความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์จะไม่เกิดขึ้นเห็นไหมพอรู้ทุกข์แจมแจ้งแล้วจะละสมูทยัยคือความอยากไม่เกิดขึ้นอีกการละสมูทัยในเพราะการรู้ทุกข์นี่เป็นเรื่องอัศจรรย์ที่สุดอีกเรื่องหนึ่งนะปกติเวลาความอยาก ใ, ใดๆเกิดขึ้นในใจเรามีสติรู้ทันความอยากนั้นจะดับไปรู้สึกไหม หัดมาพอนารู้สึกไหมเวลาเช่นอยากจะจีบสาวเนี่ยสติรู้ทันปุ๊บความอยากก็หายไปเดี๋ยวอาจจะเกิดใหม่อีกละนะอยากจีบอีกเนี่ยมันดับไม่สนิทมันดับดับแล้วก็โผล่ขึ้นมาได้อีกนะเหมือนตำรวจดับไฟนะแต่ดับแบบประมาทเอาน้ําไปฉีดฉีดแล้วก็กลับไปขับรถหวอกลับไปไม่นานไฟคูขึ้นมาอีกแล้วเพราะเชื่อยังอยู่นะแต่ถ้าเราดับไฟด้วยการรู้ทุกนะมันจะดับสนิทจริงๆมันจะดับสนิทดับแล้วไม่เกิดขึ้นอีก คือถ้าเมื่อไหร่เรารู้ความจริงว่าขันห้าเป็นทุกข์รู ป, ปรธรรมนามธรรมนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของวิเศษเหมือนที่เคยคิดไว้นะอันนั้นแหละความอยากจะให้ขันห้าเป็นสุขจะไม่มีอีกแล้วเพราะรู้ว่ามันไม่มีจริงความอยากจะให้ขันห้าพ้นทุกข์จะไม่มีอีกแล้วเพราะรู้ว่าไม่มีจริงขังนห้าเป็นตัวทุกข์ยังไงก็พ้นทุกข์ไม่ได้ขันห้าไม่ใช่ตัวสุขยังไงก็สุขไ ป, ไ, ปไม่ได้ความอยากที่ไร้เดียงสาจะไม่มีขึ้นมาอีก งั้นถ้าเมื่อไรรู้ทุกแจมแจ้งนะจะละสมุทัยเด็ดขาดละแล้วไม่เกิดขึ้นอีกเมื่อไรล่ละสมุทัยได้เด็ดขาดเมื่อนั้นนิโรธคือนิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตานิพพานเป็นธรรมะที่มีอยู่แล้วเป็นของที่มีอยู่แล้วไม่ใช่ของที่เกิดขึ้นสดสดร้อนๆ้อเหมือนกิเลสตัณหาทั้งหลายนี่เกิดขึ้นสดสดร้อนๆอนนิพพานมีอยู่แล้วแต่เรามองไม่เห็นเพราะใจของเรามีกิเลสตัณหา ใจของเราเราร้อนใจของเราไม่คู่ควรที่จะเห็นนิพพานใจเรามีกิเลสมีตัณหาใจเราก็ดิ้นรนปรุงแต่งนะปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างปรุงสุบ้างปรุงทุกบ้างปรุงกลางๆงไม่ดีไม่ชั่วไม่สุขไม่ทุกบ้างนะปรุงตลอดเวลาจิตใจที่ปรุงอยู่ฟุ้งซ่านอยู่นั้นเป็นจิตใจที่ไม่คู่ควรกับธรรมะนะไม่เห็นนิพพานซึ่งเป็นธรรมะที่พ้นกิเลสพ้นตัณหาพ้นความปรุงแต่งพ้นความดิ้นรน เมื่อไรจิตลรพ้นจากตัณหาได้นะเพราะว่ารู้ทุกแจ่มแจ้งเนะนี่ยนิพพานจะปรากฏขึ้นให้เห็นต่อหน้าต่อตานิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาอยู่แล้วแต่ไม่เคยเห็นขณะ น, นี้พวกเราทุกคนเนะนี่ยนิพพานอยู่กับเราต่อหน้าต่อตานี่แหละแต่พวกเราไม่เห็นเพราะใจของเรายังมีตัณหาอยู่นะถ้าเมื่อไรตัณหานี้ดับสนิทลงไปนิพพานจะปรากฏขึ้นนิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหาสิ้นความอยาก นิพพานมีสภาวะยังไง ส, สิ้นปัญหาสิ้นความอยากนิพพานสงบนิพพานมีสันติที่นี่ชื่อส่วนสันติธรรมนะถ้าแปลแล้วสันติธรรมคืออะไรคือนิพพานนะสวนสันติธรรมสันติก็คือนิพพานนั้นมีสันติลักษณะสงบสงบจากอะไรสงบจากกิเลสสงบจากปัญหาสงบจากความปรุงแตง่งสงบจากความทุกข์สงบจากขัน ม่นจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเมื่อใจใจพ้นความปรุงแต่งเมื่อนั้นเราจะเห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งคือเห็นนิพพานทานองเดียวกับที่พวกเราเป็นวันไหนจิตใจของเราร่าเริงเบิกบานโลกทั้งโลกดูร่าเริงเบิกบานวันไหนจิตใจของเราหดหูเศร้าหมองโลกทั้งโลกดูหดหูเศร้าหมองถ้าวันใดใจของเราพ้นความปรุงแต่งพ้นความอยากนะมีความอยากมันก็ปรุงแต่งนะพ้นความอยากมันก็พ้นความปรุงแต่งเมื่อนั้นเราจะเห็น ความไม่ปรุงแต่งเนี่ยครอบคลุมโลกทั้งโลกอยู่นะความไม่ปรุงแต่งความสงบความสันติครอบคลุมโลกทั้งโลกนี้อยู่นะนี่คือตัวนิพพานนะเป็นความสิ้นทุกข์สิ้นกิเลสสิ้นขันนะการที่เรามีสติรู้รูป ร, รู้นามรู้กายรู้ใจเรียกว่ามีสติรู้ทุกข์เรื่อยๆไปนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นด้วยจิตที่เป็นกลางนี่แหละคือมรรคนะอ ง, งค์มครรคจะต้องประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญา เินศีลสมาธิปัญญามีศีลเพราะพวกเรารักษาศีลไว้อย่างน้อยศีลห้ารักษาไว้ก่อนในองค์มารคท่านก็สอนเรื่องศีล น, นะคือสัมมาวาจานะมีสัมมาวาจานะไม่โกหกไม่พูดสอดเสียดสออเสียดคืออะไรสออเสียดคือพูดให้เขาตีกันยุให้เขาโกรธกันยุให้เขาเกลียดกันนี่เรียกว่าพูดสอดเสียดนะพูดคำหยาบพูดเพิรเจอร์ ถ้ามีสัมมาวาจาก็ไม่พูดเท็จไม่พูดสอดเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพิรเจอพูดพอดีพอดีไม่พูดมากไปไม่พูดน้อยไปนะพูดพอดีพอดีพูดมากก็ฟุ้งซ่านนะพูดน้อยก็ไม่รู้เรื่องเก็บกดบางทีนะมีสัมมาวาจานิ้สิ่ข้อ4สัมมากัมมันตะคือสินข้อหนึ่งข้อสองข้อ3มีการกระทําที่ถูกต้องนะไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ขโมยไม่ไม่ประพฤติผิดในกรรมนะ ทุกวันนี้เราเกิดทำเนียมมีกิ๊กกันนะมีกิ๊กนี่ไม่ถูกต้องนะชาวพูดเทธ๋ยวาไปหลงกลนะมารมันพยายามหลอกล่อเราว่าอย่างนี้ไม่ผิดหรอกอย่างนี้ไม่บาปเราไม่ถึงขั้นมีชู้นะไม่มีชู้คือยังไม่ได้ไปจดทะเบียนซ้อนอะไรเงี้ยมันมากไปนะเนี่ยตัวอย่าไปเชื่อมาร น, นะอะไรที่ทำแล้วกิเลสจะเฟื่องฟูเนี่ยเป็นคําสอนของมารทั้งสิ้นเลยนะมารพยายามยั่วพยายามยุเรานะมีกิ๊กไม่เป็นไรหรอกนะ คอร์รัปชันก็ไม่เป็นไรถ้ามีผลงานเนี่ยโกงชัดๆเลยนะแล้วบอกว่ามีผลงานผลงานของคนขี้โกงมันจะดีอะไรเนี่ยคาสอนของมารทั้งนั้นเลยนะพวกเราต้องระวังให้ดีนะชาวพุทธนะเราต้องมีศีลห้านะมีศีลเราก็จะได้องค์มรรคส่วนหนึ่งมาแล้วแล้วก็เลี้ยงชีวิตชอบดํารงชีวิตชอบทำมาหากินอย่างซื่อสัตย์สุจริตไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองบางคนเบียดเบียนตัวเองนะเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนตัวเอง เราเลือกดูนะมีโอกาสเลือกก็เลือกนะยังเลือกไม่ได้ก็ค่อยๆเรียนรู้ไปค่อยๆหาทางแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปนะให้มีอาชีพเลี้ยงชีวิตนะไม่รวยไม่เป็นไรนะแต่อย่าชั่วรวยเพราะชั่วเนี่ยเหลวไหลที่สุดเลยไม่คุ้มกันหรอกคนรวยเพราะชั่วนะเสพสุขได้ไม่กี่ปีหรอกนะทํำคนอื่นเดือดอร้อนได้เยอะแยะเลยนะ่าตัวเองจะต้องเดือดร้อนในภายหลังบางคนบอกชาติหน้าไม่มีมันโง่สิมันไม่เห็นเองอะ ภาวนาข้าสศีมันก็จะเห็นหรอกว่ามีไม่มีนะ <S <S อย่านึกว่าไม่มีนะนรกไม่ได้ไว้ขังหมานะ <S <S 1> <S 1> งั้นเรามีศีลนะมีศีลเราจะได้มักมาสามข้อล้วต่อไปเรามาฝึกจิตนะฝึกจิตในส่วนของปัญญาคือสัมมาทิฏฐินะสัมมาทิฏฐิอีกตัวหนึ่งคือสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะคือความดําริชอบดําริที่จะออกจากกาม ไม่หมกมุ่นในกามดํา âm ฤที่จะออกจากพยาบาทความขัดเคืองในอารมณ์ทั้งหลายดํา âm ฤที่จะออกจากความเบียดเบียนนะถ้ายังหลงอยู่ในกามหลงอยู่ในพยาบาทหลงอยู่ในความคิดเบียดเบียนนะ ล, าลานา temps, ้างผลาญอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่การเดินมัศนะนั่นเราจะต้องไม่ไม่ให้ใจเราไหลไปสู่กามนะสู่ความพยาบาทนะสู่ความเบียดเบียนถ้าใจเราไหลไปสู่สิ่งเหล่านี้นะัใจไม่สงบใจไม่ตั้งมั่น คอคิดถึงเรื่องที่ดีๆไว้คิดถึงธรรมะธรรมโมไว้คิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์ไว้คิดถึงความเมตตากรุณาไว้ไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนนี่คิดถึงอาโหสีกรรมคิดถึงสิ่งเหล่านี้เรื่อยๆพะเราคิดถึงสิ่งเหล่านี้เรื่อยๆนะใจเราสบายใจเราสงบง่ายนี่ส่วนของปัญญานะแต่เป็นปัญญาที่ใช้การคิดอยู่ช่วงแรกเนี่ยคิดดีไม่ใช่คิดชั่ว แ้่คิดชั่วก็ขวางทางเดินต่อนะนี่ส่วนของปัญญามีสองงานสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิคือการที่เข้าใจอริยสัจนะแล้วก็สัมมาสังกัปปะเนี่ยการดำริชอบนะคิดชอบนะแล้วก็มีศีลนะมีศีลนะกับสัมมาวาจาสัมมารกรรมันตสัมมาอชีวะถัดจากนั้นจะเป็นเรื่องของการฝึกจิตฝึกใจแล้วเป็นเรื่องของสมาธิมีสัมมาว า, ามะมีความเพียรชอบ ความเพียรชอบหมายถึงอะไรความเพียรชอบหมายถึงว่าเพียนแผดเผากิเลสที่มีอยู่ให้หมดไปเพียนปิดกั้นกิเลสใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นเพียนเจริญกุศลให้เกิดขึ้นกุศลที่เกิดขึ้นแล้วนะให้เจริญงอกงามต่อไปรวมแล้วสี่อย่างนะอันแรกเลยอกุศลที่ยังไม่เกิดก็อยากให้มันเกิดที่เกิดแล้วก็ให้มันหายไปให้มันหมดไปให้มันลดไปนะอันที่สองอันที่สามนะก็คือ กุศลใดยังไม่เกิดทําให้เกิดอันะที่4ี่กุศลใดเกิดแล้วเนี่ยทำให้พัฒนาให้มากกว่าเก่านะไม่ใช่พอใจวันนี้นั่งสมาธิได้5นาทีพอใจแล้วมักน้อยสันโดษพระพุทธเจ้าให้สันโดษโอ้ยอย่างนั้นสันดาลไม่ใช่สันโดษหรอกขี้เกียจสินะค่อยๆฝึกหน้าพัฒนามันขึ้นไปขึ้นไปนะไม่ใช่หยุดอยู่กับที่พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญคุณความดีที่หยุดนิ่งเลยนะนั้นเราพัฒนาคุณความดีของเราไปเรื่อย กิเลสใดไม่ดีขัดเกลาตัวเองต้องขัดเกล่านะไม่ใช่ว่าจะมาเจริญสติอย่างเดียวแล้วไม่ขัดเกลากิเลสไม่สํารวจกิเลสเลยนอนแช่กิเลสอยู่ทุกวันทุกวันแล้วบอกว่าดีแล้วนี่ใช้ไม่ได้เลยนะต้องขัดเกลกกิเลสนะสํารวจตัวเองอะไรไม่ดีต้องเลิกนะโกหกล็อกลวงตลบตะแรงอะไรเนี่ยอย่านึกว่าเล็กๆน้อยๆเจริญสติแล้วจะไม่เป็นไรเป็นนะต้องขัดเกล่านะต้องเจริญสิ่งที่ดีให้มากขึ้นล้างสิ่งที่เลวออกไปเนี่ยคือสัมมาวายมะ ถัดจากนั้นคือสัมมาสติมีสติระลึกอยู่ในรูปธรรมนามธรรมระลึกอยู่ในกายในใจท่านสอนสัมมาสติด้วยสติปัฏฐานสนะมีสติรู้กายเนืองเนืองมีสติรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกเนงเนืองมีสติรู้จิตสังขารเนืองเนมีสติรู้กระบวนการทํางานนะของจิตใจนะเรียกธรรมานุปัสสนา นิวรณ์เกิดได้ยังไงโนะพชฌงค์เกิดได้ยังไงอริยศาสตร์เป็นยังไงนะนี่เรียนรู้กระบวนการจริงๆเป็นธรรมานุปัสสนานะสม า, สมาธิก็คือความตั้งมั่นท่านสอนสม า, สมาธิด้วยฌานสีนี่พวกเราถ้าไม่มีฌานสี่นะทำานสี่ไม่ได้นะคอยรู้สึกตัวเป็นขณนะขณะเอานะอันนี้พออนุโลมเรียกคณิกะสมาธิพออนุโลมใช้ถ้าจะให้ดีเต็มชั้นเต็มฟูมต้องฌานสี แต่ในเวลาที่จเจริญมีปัศนานะั้แค่รู้สึกตัวเป็นขณนะขณะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นขณนะขณะแค่นี้พอแล้วแต่ตอนที่จะเกิดอริยมรรคเนี่ยจิตจะเข้าฌานสี่เองนะเพราะงั้นเวลาที่ท่านพูดถึงอริยมรรคท่านพูดถึงฌานหนึ่งสอสามสี่อันแดอัหนึ่งนี่แหละหนึ่งสองสามสี่ทำไมต้องฌานหนึ่งสสามสี่เพราะขณะที่เกิดอริยมรรคนั้นจิตจะเข้าฌานเองเข้าอัตโนมัติเลยนะหนึ่งสองสามสี่ในเวลาที่เราลงมือปฏิบัติเนี่ยยังไม่เกิดอริยมรรค แค่มีคณิกาสมาธินะแค่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นขณะขณะขณะไปแค่นี้พอนะถ้าคนไหนทําฌานได้ก็ทําคนไหนทําไม่ได้ก็แค่รู้สึกตัวเป็นขณะขณะนะเห็นรูปธรรมเห็นนาะมมันทําทํางานเป็นขณะขณะไปเท่านี้พอนี่แหละคือทางสายกลางทางสายเอกที่พระพุทธเจ้าบอกให้ทำนะรวมแล้วคือศีลสมาธิปัญญานะพราะพวกเราฝึกนะถ้าเราฝึกได้ศีลสมาธิปัญญาวันหนึ่งวิมุตติก็เกิดขึ้นความพ้นทุกข์จะเกิดขึ้นนะ จิจะปล่อยวางความยึดถือในขันห้าในรูปธรรมนามธรรมมีมุติเกิดขึ้นเราจะได้รับสันติชีวิตจะมีสันติคนด่าก็ยังสันตินะคนชมก็สันติคนตีก็สันติคนเผาก็สันติคนทําอะไรเราก็สันติอยู่งั่นแหละนะเราฝึกของเราไปด้วยนะแก่เราก็ยังสันตินะของเราไม่สันติกับความแก่เห็นความแก่แล้วเกลียดเกๆใช่ไหมความเจ็บไข้เราก็ไม่สันติกับมันนะ งั้นเราฝึกนะถึงวันหนึ่งนะีจิตจะอยู่กับความสงบจิตจะอยู่กับความสันติมีความสุขที่สุดเลยท่านถึงบอกว่านิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นบรรมสุขนิพพานไม่ใช่อนาถานะนิพพานไม่ใช่ว่างๆแห้งแล้งแต่นิพพานนั้นเป็นบรรมสุขสุขจริงๆนะสุขอยู่ต่อหน้าต่อตานี่แหละสุขที่ไม่ต้องค้นหาไม่ต้องสแสวงหาอีกต่อไปแล้วสุขถาวรนะ อ่ะไปทานข้าวนะเทศถึงนิพพานแล้วก็ไม่รู้จะเทศไรแล้วเนาะ <c oughs> นิมนต์ไรครับนิมนต์